บทที่36ึ่งรียามาริฮอบมันคเนในสถานการ์ร้ายไว้ได้อย่างแม่นยำที่สุดและบุญคำตลอดจนกลุ่มพรานพื้นเมืองทุกคนก็เตรียมแผนป้องกันไว้อย่างถูกต้องที่สุดเช่นกันน้ำไว้ผสมกับกิ่งน้ำคมและรุงรังเท่าที่จะหาได้ซึ่งใช้สะสมเป็นรั้วกั้นกระท่อมที่พัดทุกด้านในขณะนี้พิสูจน์ให้เห็นชัดแล้วว่า เป็นดานสกัดกั้นการจู่โจมของเจ้าสัตว์ฝูงประเภทเทโรซอรพันดูดเลือดได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ยิ่งบินโฉบเข้ามากระทบเมื่อไรเป็นติดกัดเมื่อนั้นยิ่งดินยิ่งเลือดโฉกและถูกน้ำเหล่านั้นแรดพันตัวหนานเน่นอย่างชนิดไม่มีโอกาสจะพลระลึกออกไปได้จุดอ่อนมาจากพืชปีกที่เป็นหนังมันยกขยงกันมาจริงๆเมื่อไฟทุกกองดับหมด และเมื่อฝนหยุดแต่ละตัวเหล่านั้นบินชวัดชเวียนอย่างคล่องแคล่วรวดเร็วราวกับจรวดที่มีชีวิตเสียงปีกตัดอากาศและเสียงร้องแส่ของมันเหมือนจะกดความรู้สึกของมนุษย์ทุกคนในที่หลบดภัยขณะ น, นี้ให้จมลงไปสู่คุ้มนรกได้ริ้งถึงกับต้องยกมือขึ้นอุดหูหลับตาแน่นเชษฐากับชัยยนนั่งลืมตาค้างแทบไม่กระดุกกระดิก ส่วนนาเรียกราดไฟฉายส่องสำรวจดูตามริ้วหนามรอบๆซึ่งมีเจ้าพวกนั้นดินเข้ามาติดิ้นรงอยู่เพื่อค้นหาจุดก่อนว่าจะมีทางใดพอให้มันแท่ตัวเล็ดลอดเข้ามาได้หรือไม่พวกพรานพื้นเมืองทุกคนแม้จะรู้ตัวล่วงหน้าอยู่แล้วว่าที่พักอาศัยมีการป้องกันไว้อย่างมั่นคงปลอดภัยเพียงพอก็ยังไม่ไวายสะดุ้งผวาไปตามๆกันขยับตัวแผลหนีจากริมริมกระท่อม เข้ามาเบียดหอตัวรวมกลุ่มกันเป็นกระจุกอยู่ตรงกลางพร้อมกับสมบุดกันคลุมถมเถ๋เอาเอาไอ้พวกผีกระหังเอาเขา้าทกุก็เดี๋ยวมึงก็ไต่ต่วหนามของกูตายหากันหมดตรงนั่นแหละบุญคาําศาสตร์แช่งลั่นแล้วทีแกาสารตาผู้เข้ามาเบียดัวสันอยู่ข้างข้างแกเพราะอดกัญชาหน้าถาล่าหางออกไปด้วยความเดือดดานแล้วพินกระแนงสายช่วยกันตรวจสอบกองหนามปากประตู ซึ่งเป็นรั้วดานสุดท้ายปิดเข้ามาหลังสุดเพื่อแน่ใจว่ามันไม่ได้ขยับขยื่อนเปิดเป็นช่องว่างพอให้ไอ้พวกผีนรกพวกนั้นบินแทะตัวเข้ามาได้แล้วกล่าวปลอบขวัญคณะนายจ้างของเขาด้วยน้ําเสียงปกติไม่ต้องกลัวครับแล้วก็ไม่ต้องไปคิดทําอะไรมันด้วยเราอยู่ในที่มั่นอันปลอดภัยที่สุดแล้วรับรองครับว่ามันบินฝ่าเข้ามาไม่ได้แน่ตรวจดูดดรอบขอบทุกด้านนาระรพิน รู้สึกว่ต่ละตัวน่ะมันดุร้ายกระหายเลือดเกินคาดไปสิอีกพิษกับที่เราเห็นในตอนกลางวันมากท่านหลุดก็มาได้ไม่แต่ตัวเดียวและกัดใครเข้าแล้วลำบากแน่อใดก็ไม่สําคัญถ้าบาดทยักยาที่จะรักษาของเราก็ไม่มีอีกแล้วสิเท้าพูดโดยเร็วอย่างกังวลเต็มไปด้วยอาการกระสับกระสายอากาศกลางดึกภายหลังฝนกระหน่ำหนักบัดนี้เต็มไปด้วยกลิ่นสาบสารคราคลุ้งไปหมดแทบจะสําลัก หายใจไม่ออกรับพินรับคำแล้วเขากับแงซายก็ช่วยกันคลานส่องไฟตรงไปรอบๆ อ, อย่างถี่ถ้วนระมัดระวังชัยันผสมโรงตะโกนด่าเอ็ดอึงไปกับพวกพรานพื้นเมืองด้วยตามนิสัยคนเลือดร้อนขี้โมโหมาเรียโอบแขนกอดดารินผู้ยังนั่งปิดหน้าอุดหูเหมือนจะไม่พยายามรู้เห็นอะไรทั้งสิน้นทำใจดีๆไว้ที่รัก ถึงยังไงมันก็บุกเข้ามาไม่ได้หรอกรักร้วหนามของบุญคําน่ะแข็งแรงมากปิดนุ่งนังกันอยู่ด้านนอกเท่านั้นอีกสักครู่ถ้าความพยายามของมันไม่เป็นผลพวกมันก็คงบินกันไปที่อื่นเองแหละเพื่อนสาวต่างผิวกระซิปปลอบใจตบเบาๆที่ต้นแขนฉันจะบ้าตาอยู่แล้วนะเมททนไม่ไหวจริงๆต่อเหตุการณ์เหล่านี้ราชสกุลสาวสั่นศีษะอยู่ไปมาหยุดเสียงเครือแทบไม่เป็นภาษา กระสาบของหลอนคลานแคลนวันไว้ไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อร่างกายอ่อนเพลียหนักและสะบักสะบอมต่อการกระกรมเช่นขณะ น, นี้ไอพวกทธมุลเหล่านั้นมันไปหลบโขอยู่ที่ไหนในตอนเนี้ยและไอพวกนี้ทําไมถึงไม่ไปเล่นงานพวกมันด้านมารุมเราทํำไมชยันพล่าออกมาไม่ทันจะขาดเสียงบนยังหงุดหงิดเดือดดานใจของอดีตนายทหารตืวใหญ่ตางก็ได้ยินเสียงเคลื่อนไหวรอบด้านอีกครั้ง แต่คราวนี้มันดังมาจากเราป่าพื้นดินเดียวกันผูมไม้สันอยู่สวบศาสต์กิ่งไม้ที่สูงขึ้นไปก็โยกสะเทือนน้ำฝนที่เกาะค้างอยู่พากันร่วงกราวลงสู่พื้นขนาดใหญ่รากับฝนจะเทลงมาอีกครั้ง <c oughs> นายทหารด่าไปถึงพวกมันมันก็ยังอยู่นั่นเองไม่ได้ไปไหนหรอกบุญคำร้องใช่แล้วจากเสียงการขยับเคลื่อนไหวในขณะนี้ บอกให้ทุกคนทราบได้เป็นอย่างดีว่ากองทัพทมโมูไม่ได้เคลื่อนย้ายอันตรธานไปไหนเลยทั้งสิ้นแท้ที่จริงมันยังล้อมราวป่าไว้อย่างนานแน่นตามเดิมนั่นเองเพียงแต่กระจายทอดระยะห่างออกไปเล็กน้อยตอนฝนตกซัดใหญ่และบัด น, นี้มันเริ่มจะเอกเอเกระเลิกเกลียวกราวกันขึ้นอีกอย่างพร้อมเพรียงด้วยการหักต้นไม้ทิ้งและส่งเสียงคลอกคลากูตะคอกตามสันดาน หรือมิฉะนั้นก็เป็นการส่งภาษาบอกความอะไรสักอย่างหนึ่งในบรรดาพวกมันกันเองเบื่องบนอากาศฝูงเทโรแด็กที่ลอยก็ยังบินว่อนเวียนพยายามจะเล็ดเลาะฝ่ารั้วหนามเข้าหามนุษย์ในที่โลบให้ได้เอาละสินี่เราโดนศึกขนาดทั้งสองด้านเลยทีเดียวหรือนี่เชิดาพูดขึ้นดังๆเริ่มไหวตัวเป็นครั้งแรกจากท่าที่นั่งสงบอยู่ หวังว่ามันคงไม่รอคอยจังหวะหรือทำลายกระท่อมของเราต อ, อนที่ไอ้เธอรศซอกกำลังยกขยงมาเป็นฝูงนะใช่ยันเริ่มใจไม่ดีจังหวะของไทยแทรกซ้อนซึ่งไม่อาจทำนายเหตุการณ์ได้นี่เองดารินผู้ตลอดเวลานั่งตัวสั่นเป็นลูกนกก็ฉวยไรเฟินขึ้นมาพี่ชายรู้ทันรีบคว้าข้อมือน้องสาวเฉยไว้ก่อนหน่อยรอการตัดสินใจจากราพินเป็นดีที่สุดขอให้ทุกคนยึดคาสั่งเดิม เราจะไม่ยิงแม้แต่นัดเดียวจนกว่าวินาทีสุดท้ายจริงๆเท่านั้นในกรณีที่เห็นแน่ชัดแล้วว่ามันมีเจตนาจะรื้อกระท่อมนี่ไฟฉายทุกดวงเท่าที่จะมีอยู่ในขณะนี้ สาดแสงลอดช่องโปรงของรัว้วหนามออกไปตรวจบริเวณรอบทิศสุดแต่ว่าใครจะประจำคุมเชิงอยู่ทางด้านไหนแล้วก็เห็นด้วยหัวใจอันเหี่ยวฟอว่าไอ้พวกทหารพระรามพันดำที่พากันหายหัวเงียบสนิทไปเมื่อตอนฝนตกหนักบัดนี้เคลื่อนพะหนพลโยธาบุกรุกเข้ามาในบริเวณลานโลง่งรอบที่พักดามืดไปหมดส่วนบนอากาศเหนือระดับพื้นดินเล่า ก็เป็นเงาวูบว่าบินชวัชวเวียนไปมาของสัตว์ยุคโลกลานปีแล้วสิ่งแล้วสิ่งที่มนุษย์ไม่คาดฝันทะเนไม่ถูกล่วงหน้าก็พลันปรากฏกับสายตาท่ามกลางลำแสงไฟที่สาดออกไปรอบทิศนั้นฟุงทนโมลเหล่านั้นไม่ได้สแสดงว่าจะจู่โจมเข้ามาหมายราวีมนุษย์ในกระท่อนใดๆทั้งสิ้นแต่กระจายกาลังกันออกรับมือกับเจ้าสัตว์เลื้อยคานประเภทมีปี ที่โฉบเฉียวร่อนอยู่ด้วยกิริยาอันดุร้ายเครี้ยวกราดเป็นโกลาหลุนพวกมันช่วยกันปายตะปบจับขยุ่มเทโรเดทิลอยที่โฉบใกล้ลงมาด้วยอาการเหมือนคนไล่ตบอยู่ฉีขยี่ดีขยำ่ำแล้วคว้างตาลงกับพื้นอย่างไม่คารนามือไม่ได้มีอาการสะดุ้งสะเทือนหรือหวัดกวัวใดๆทั้งสิ้นสังเกตดูเจ้าสัตว์ปีกฟันคมชนิดนั้นก็ไม่สนใจที่จะเล่นงานพวกมันนักเพราะความหนาทึบของเส้นขนยาว ที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งตัวซึ่งไม่มีโอกาสจะฝังเขี้ยวลงไปถึงผิวหนังได้เลยของบินบนตอมอยู่เป็นกลุ่มๆแล้วก็แตกกระจายหนีเมื่อไอ้ทรรมน์อาราวาดขึ้นควายคว้าหมายตะครุบบางตัวอาจหิวหรือโกนแข้นจับในการบุกเ ข, ข้ามาอาราวาดแทรกแซนของฝูงทรรมน์ไพรจิกหัวลงทุ่งชนิดจิกหัวพุ่งชนปิดขนหนาฟูเหล่านั้นแต่แล้วก็ถูกตบปัดแหลกเล้วร่วงหลุดดับดิ้นไป บางตัวถูกจับติดในอุ้งมือหนากระพือปีกดิ้นพับผัับแล้วก็ถูกเด็กชีกออกไปทีละชิ้นเหมือนที่เด็กชนชนจับผีเสื้อเด็กปีกเล่นอึกกระทึกครึกโครมไปหมดทั้งราวต่ายามวิกาลพักเดียวเท่านั้นที่ไอ้เลียงดำลูกหลานนิลเพชยกพลเข้าตะลุมบอลทำสงครามต่อตามเทโรเด็กที่ลอยฟูงมนานก็ล่าถอยจากการบินวนเวียนล้อมรอบกระท่มมนุษย์ ผึง ข, ขึ้นสู่อากาศเบื้องสูงอย่างไม่อยากจะต่อแยด้วยแล้วผลัหนีหายกันไปหมดทิ้งพวกพองบางส่วนให้ติดกับน้ําที่ด้านนอกของกระท่อมแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ถูกเจ้าพวกวานอนไล่ขยี้โลมกลากเกินอยู่กับพื้นท่ามกลางความตะลึงงันของมนุษย์ทั้งสิบสองชีวิตไม่หมายความว่ายังไงกันนี่มาช่วยเราด้ยการไล่เจ้าทโทรโซเหล่านั้นไปยังนั้นเหรอ ดารินร้องออกมาอย่างมึนงงรพินไครวันสะบัดหน้าเร่าๆเพื่อปลุกประสาทอัญชาอยู่ในขนาดนั้นเรียกสํานึกจริงกลับคืนมาเขาตกอยู่ในอาการเช่นเดียวกับนายจ้างทุกคนคือเต็มไปด้วยปัญหาปัญหาที่ขบไม่ออกจะสับปีชนิดนั้นไม่มีความหมายอะไรหรอกครับเพราะถึงยังไงเราอยู่ในที่มั่นก็ทําอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วไอ้พวกทรรมนพวกนั้นต่างหากลนะครับ ที่เป็นปัญหาหนักของเราในขณะ น, นี้แต่อาการของมันก็คล้ายๆจะช่วยเรานะชัยันเริ่มจะมีขวัญและกําลังใจดีขึ้นก็คงไม่เชิงหรอกนะครับไอ้พวกนี้นะ่ะมันจ้องเฝ้าเราอยู่ก่อนแล้วเพราะสัตว์อื่นรุกล้ำเข้ามามีอาการเหมือนจะมาแย่งเราไปจากมันมันก็ไล่ไปเจ้าพวกเธอรอทําอะไรมันไม่ได้เพราะขนมันหนาแล้วก็ยาวมากนายพวกมันเข้ามาประชิดกระท่อมเราแล้ว สีนพวกพรานพื้นเมืองร้องบอกแท้ขึ้น อ, อย่างตกใจดารินกระเชิดถาฉายไฟอีกครั้งใบหน้าดำดำและเขียวขาวโผล่สลอนอยู่ตามแนวโปร่งของรั่วนาําดิมๆมองๆบางตัวยกมือขึ้นป้องหน้าพอกระทบแสงไฟก็หดหัวกลับบางตัวก็เอื้อมือเข้ามาจับเทโลซอรที่ติดกิ่งน้ําดินสะบัดอยู่ปลดเด็ดออกไปเหมือนเด็ดผละไม้ออกจากกิ่งยัดใส่ปากเขี้ยวหน้าตาเฉย นวนื้อยั่วเยียเย่ไปหมดแต่ก็ไม่มีตัวไหนแสดงอาการว่าจะรือ้อหรือพังกระท่อมพักอย่างที่กลิ่นเก่งกันทุกคนจ้องปืนระวังเตรียมพร้อมใจอันเต้นไม่เป็นซําแต่แล้วก็ยอมวางปืนลงเมื่อพานใหญ่บอกว่าอย่าไปสนใจคอยระวังมาเลยครับถ้ามันจะพังกระท่อมนะี่มันก็พังซะนานแล้วนอนกันให้หลับสบายดีกว่าครับเก็บสมองไว้แก้ปัญหาพรุ่งนี้คอยระวังพิ่พักไทให้เราแล้ว อะไรจะแพ้วพานเข้ามาเป็นต้องเจอพวกมันก่อนแน่นอนเมื่อต่างสงบใจยึดมั่นอยู่ในขันติไม่สนใจใยดีอะไรอีกต่อสภาพอ น, นาเกรงเกรงหวาดเสียวที่แวดล้อมอยู่เบื้องนอกโดยรอบนอกจากนอนฟังมันอยู่เฉยๆมีชามีนานสิ่งที่พรานใหญ่บอกไว้ก็ปรากฏเป็นความจริงอย่างเด่นชัดเราท่อมที่พักไม่ได้ถูกพวกมันรื้อทลายหรืกอก่อกวนใดๆทางสิ่ แม้ว่าแบบนี้พวกมันจะรุกล้ำเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ชิดแล้วก็ตาไม่มีใครบอกได้ว่าเตมม่อยหลับไปอีกตั้งแต่เมื่อไหรโดยปลอนปล่อยข้อนของราตรีอันหน้าพิษสวงนั้นให้ผ่านพ้นไปอย่างสงบจนกระทั่งแสงกล้าของตะวันยามสายสว่างโร่ลอดผิวหนังลอดถนังโปรงของกระท่อมที่พักเข้ามาพร้อมกับอากาศที่ระอุอ้าว แต่พวกลิงดำเหล่านั้นยังไม่ไปไหนยังคงเพ่นพ่านแวดล้อมอยู่รอบที่พักเต็มไปหมดในแสงสว่างของวันใหม่เช่นนี้ยืนยันได้ว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อคืนหาได้เกิดจากความฝันหรือมายาหลอกลวงอำพรางตาใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเชานี้พวกมันพากันถอยห่างออกไปเล็กน้อยปล่อยเนื้อที่โลง่งรอบกระท่อมด้านหน้าให้ว่างเปล่าพากันไปชุมนุมยึดครองอยู่ในระดับแนวกองไฟ ที่ก่อไว้เมื่อคืนซึ่งบัดนี้ทุกกองเหลือแต่ฟืนดำเหมือนจะเปิดโอกาสให้มนุษย์สุ้มหลบภัยกันอยู่ในกระท่อมตลอดทั้งคืนได้มีโอกาสออกมาสูดลมหายใจยืดเส้นยืดสายนอกกระท่อมจากการลอบสังเกตเออกไปดูในขณะนี้ยกเว้นแต่ขนาดอันใหญ่โตและขนอันดำสนิทเหมือนพวกข้างดาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาตินิสัยของมันก็คือลิงเราดีๆนี่เอง บ้างหนิงบ้างเดินและบ้างก็ปีนป่ายอยู่ตามกิ่งไม้แกะโนดหยิบนี่ไม่มีการอยู่สุขตลอดเวลาบางทีก็ทำหน้าเริดเข้าหลอกล้อนกันเองรวมไปถึงการไล่กัดฟัเวียงเหมือนจะประลองกำลังหยอกเย้ากันดูเออกระริกเกลียวกลาวไปหมดทั้งตะจจำนวนของพวกมันเหล่านั้นคำนวณเข้าคร่าวโดยสายตาของรพินไพรวันไม่ต่ากว่าร้อยตัวขึ้นไป ขนาดเล็กที่สุดเมื่อยืนขึ้นสองขาแล้วก็ไม่สูงไม่ต่ำกว่าห้าฟุตสายตาทุกคู่แบบนี้เปลี่ยนนิ่งมาจากอยู่ที่พรานใหญ่เป็นตาเดียวเหมือนจะขอาการตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้ายว่าจะดำเนินการอย่างไรเมื่อคืนหลับสบายกันดีทุกคนหรือเปล่าครับเขากลับชวนพูดไปอีกอย่างนงเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นก็หลับอยู่หรอกแต่ไม่สบายนะแต่ว่านี่นะนายพราน คุณไม่คิดจะพูดอะไรให้มันเข้าท่ากว่านี้บ้างเลยแล้วคุณเห็นว่าไอ้ธำนเหล่านั้นนะ่ะมันไม่มีความหมายอะไรสําหรับเรามากไปกว่าฝูงลิงหน้าสารพระการที่ลบบุรีดารินย้อนถามก็ถ้าเราคิดซะว่าพวกมันก็เหมือนเหมือนกับลิงหน้าสารพระการลบบุรีเราก็สบายใจได้ไม่ใช่หรือครับลิงหน้าสารพระการเมืองลบบุรีเป็นยังไงนายหญิงบุญคําถามหน้าตื่นเพราะไม่เคยทราบมาก่อน ดารินกำลังกลุ่มใจจิงเฉยซักไม่อยากจะพูดอะไรอีกไปชี้ยันบอกให้ว่าลิงหน้าสารพระการที่นายหญิงว่าเป็นลิงป่าที่เข้ามาอาศัยอยู่ในสารเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์ใจกลางเมืองลบบุรีมานานแล้วถือเป็นลูกศิษย์ของเจ้าพอ่อคนไม่ทําอะไรมันมันก็ไม่ทําอะไรคนเพียงแต่ใครผ่านไปผ่านมามันก็ขอของกินเท่านั้นเป็นเงินได้ก็ดีสินายทหาร ตาเท่าพูดอ่อยๆอแต่ว่าบุญคำว่ามันจะไม่ใช่จะมากกว่านะแล้วเราก็ไม่มีอะไรจะให้มันกินซะด้วยนอกจากเนื้อหนังของพวกเราเองผมก็ไม่แน่ใจอะไรบางอย่างนะละพินถ้ามันคิดจะทำอันตรายเรามันก็คงไม่เฝ้าล้อมอยู่เฉยๆแบบนี้จนกระทั่งรุ่งเช้าเลยนะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหมดไปประจันหน้ากับมันซึ่งซึ่งหน้าดีกว่าเปนก็ให้มันรู้ไป เราไม่ได้กินอาหารกันมาตั้งแต่เย็นวานนี่แล้วและขณะนี้ก็กำลังขาดน้ำอีกด้วยท่านหัวหน้าคณะตัดสินใจคุณชายครับขอเวลาให้ผมสังเกตท่าทีมันอีกสักครู่เถอะครับก่อนที่จะให้พวกเราทั้งหมดออกไปจอมพลันบอกและสั่งให้แง่ทรายคลายเชือกซึ่งมัดผูกประตูกระท่อมออกตอนเองคลานลอดปากทางนั้นออกไปตามลําพังคนเดียวก่อน นั่งชันเข่าสังเกตดูพวกมันที่แวดล้อมเต็มราวป่าที่แวดล้อมเต็มราวป่าเงียบเงียบริมปากทางเข้าเชษฐขาคานออกมานั่งใกล้ๆเขาด้วยโดยสั่งให้ทุกคนรวมกันอยู่ในกระท่อมตามเดิมก่อนเจ้าทหารพรรามทั้งหลายพอเห็นประตูกระท่อมเคลื่อนไหวเปิดออกแล้วก็มีมนุษย์สองคนโผล่มานั่งดูมันอยู่ภายนอกก็ส่งเสียงร้องบอกกันครกคลาลั่นไปทั้งตา ถามาการคุกคามหลอกหลอนตามสันดานลิงแต่ก็ไม่ลุกล้าเข้ามาใกล้บางตัวขึ้นไปขย่มกิ่งไม้คลื่นโครมสนันนันวันไหวไปหมดระพินกระเชษฐาสอบสายตาพยายามสำรวจไปยังพวกมันตละตัวเหล่านั้นอย่างไข้ครวญพินิจหนักเฮ้มันเอาของของเราไปซ่อนจะที่ไหนนะท่านหัวหน้าคณะกระซิบเหมือนจะกล่าวกับตนเองก็คงที่ใดที่หนึ่งไม่ไกลาจากที่นี่สักเท่าไหร่ล้วครับ เราก็ต้องหาอุบายเอากลับคืนมาให้ได้โดยสันติวิธีที่สุดละผพราะว่ามันคงต้องการอะไรสักอย่างนึงจากพวกเราแน่นอนครับแต่ผมก็ยังนึกไม่ออกนะครับว่ามันต้องการอะไรทั้งสองปรึกษาหารือกันเบาๆนี่จําได้ไหมไอตัวไหนที่มันหิ้วปืนของเราเข้ามาให้เห็นเมื่อคืนเนี่ยแล้วแจ้งกับคุณนะผมกําลังมองหาอยู่ครับรู้สึกว่า เจ้าพวกตัวเกลื่องลักษณะจ่าฝูงที่บุกเข้ามาเดินอยู่ใกล้ๆตัวผมเมื่อคืนนี้ตอนนี้มันจะหายหน้ากันไปหมดหรือแต่พวกลูกฝูงไพ่พนของมันเท่านั้นไอ้พวกลูกฝูงเหล่านี้ดูเหมือนจะต้องคอยฟังบงการจากหัวหน้าของมันและทํางานอย่างมีระเบียบพอสมควรทีเดียวสังเกตไหมครับเพราะไม่มีไอ้ตัวใหญ่ๆหัวหน้าของมันบุกรุกเข้ามาใกล้พวกมันก็ยังไม่บุกเข้ามาเหมือนกันยกเว้นระยะล้อมห่างอยู่เพียงแค่เดิน ผมกำลังมองดูเจ้าพวกจ่าฝูงตัวโ ต, วตวที่หายหัวไปหมดเท่านั้นเพราะปฏิบัติการเคลื่อนไหวของมันอ่านได้ง่ายกว่าเจ้าพวกลูกฝูงพังหลายภายในกระท่อมดารินลงนอนคว่ำหน้าพัางภาพอยู่กับพื้นหันหน้าออกไปจับมองดูพี่ชายกับพรานใหญ่ซึ่งนั่งนิ่งพูดอะไรซุบซิบไม่ห่างออกไปนักหล่อนอยากจะตามออกไปด้วยแต่ไม่กล้าขัดคำสั่งของพี่ชายส่วนมาเรียนเลี่ยงไปนั่งคุกเข่าอยู่อีกด้านหนึง่ง ใช้ปลายลำกล้องจุดสามเจ็ดห้าแวกเขียยผนังน้าให้เป็นช่องห่างออกไปอีกเพื่อการลอบมองออกไปยังด้านนอกให้เห็นชัดยิ่งขึ้นชยันคานเข้ามาร่วมสังเกตอยู่ด้วยแม่สาวถอนใจเฮือกพร้อมกระสายหน้าช้าๆยังอัดอั้นปันใจแดมิทลอนพรุษสวาาแถวเบารู้มันจะเอายังไงกับเราแนะ่ไปต้อนอยู่นี่เองจริงๆนะชยัน ถ้ามันยิ่งข้อเสนอว่าต้องการผู้หญิงสักคนนึงแล้วก็ฉันยินดีที่จะเสียสละเองขอให้พวกเราทุกคนปลอดภยัยได้ของคืนและออกเดินทางต่อไปได้ตามที่ตั้งใจไว้เท่านั้นแหละชา ย, ยันทำตาพองจ้องหน้ามาเรียพูดไปเล่นไปหน้าเมขนาดของมันใหญ่กว่าคนมากนักนะแล้วแรงก็ไร้ายการนี่ปเป้าความคิดบ้าบามจากไหนนะมาเรียหัวเราะแค้นไม่กล่าวอะไรอีก แต่ทดลองยกไรเฟิลขึ้นประทับจ้องศูนย์ไปที่กลาง อ, อกของเจ้าตัวหนึง่งอย่างมันเขี้ยวเลือดดานนึกไม่ออกเหมนกันว่าทลอนลั่นไกลโตวูมขึ้นในตัวนั้นคว่าลงอะไรจะเกิดขึ้นในอันดับต่อมาชา ย, ยันชักบอกในท่าทีของหล่อนรีบจับข้อมือไว้มัน่นอย่บ้านะเมแ์ไอพวกธมุนพวกนั้นไม่เล่นงานพวกเราตายหมดก็มิสเตอร์ฮันเตอร์ของคุณน่ะแหละที่จะเอาคุณตายข้าดิขัดคําสั่งเขา ผมเองเน่ยอยากจะยิงมันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วยังไม่กล้าเลยชีวิตของเราทุกคนมาฝากไว้ที่เขาคนเดียวเราก็ต้องเชื่อฟังเขาที่ครั้นแล้วชั่วไม่นานต่อมานั่นเองสิ่งแปลกๆก็อุบัติขึ้นอีกครั้งเจ้าตัวใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นตัวที่แย่งปืนกับพระพินเมื่อคือนนี้เดินสองขาซรายอาดอาดผ่านฝูงชนอันหนาแน่นของพวกมันออกมาจากราวป่าด้านใต้ จนกระทั่งลูกลังเข้ามาปรากฏกายเด่นทมึนอยู่กลางลานโลนห่างจากพรานใหญ่และเชิฐถาผู้นั่งจ้องมองอยู่ในขณะนี้เพียงสิบห้าว่าด้านหลังของมันมีบริวารตัวไล่เลี่ยกันอีกหลายตัวตามเข้ามาเป็นพร่วนไอทหารพ ร, รามพันนินกลุ่มที่เข้ามาใหม่เหล่านี้ลากจากสัตว์มีเขาชนิดหนึ่งเข้ามาด้วยเพอมาถึงกลางลานโลนก็เวียงพลักทิ้งลงตรงหน้าของราพินกระเชิฐถา ผูตลิงมองอยู่แล้วถอยเข้าไปปะปนรวมอยู่ในกลุ่มของพวกมันส่วนใหญ่ทิ้งให้ไอตัวจ่าฝูงขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งเดินนาหน้ามาแต่แรกยืนขยมตัวเลิบเลิบอยู่ข้างๆซากของสัตว์ชนิดนั้นโดดเด่นอยู่ตัวเดียวซากสัตว์ชนิดนั้นเห็นชัดว่าเป็นสมันรุ่นหนุ่มตัวหนึ่งเชือท้าอุทานอะไรออกมาคันหนึ่งในลําคอเบิกตาโพรงแทบจะเชื่อสายตาเสียม่ได้ คนอื่นๆที่ซุ่มอยู่ในกระท่อมขนาดนี้ก็ตกอยู่ในอาการเดียวกันกับพวกราณพื้นเมืองทั้งหมดอาตากค้างส่วนดารินเอื้อมมือไปบีบไหล่แงซายผู้นั่งอยู่ใกล้อย่างลืมตัวหมายความว่ายัางไงกันนี่แงซทายฉันไม่เข้าใจเลยหล่อนพูดแทบ จ, จะไม่มีเสียงมันก็เอาเนื้อมาให้เราไงนหญิงอย่างน้อยที่สุดมันก็ยังไม่ต้องการให้เราตายซะ ก, ก่อนในขณะนี้แหละเป็นไปไม่ได้ ก็เป็นไปแล้วล่ะครับอย่างที่เห็นอยู่นี่ผู้กองตัดสินใจถูกครับที่ไม่ให้พวกเราคนใดยิงมันขึ้นระพิมไยวันยกมือขึ้นจับปลายคางรีตาจ้องพินิษไปยังไอจ่าฝูงตัวนั้นอยู่อึดใจมันทาคุ้มตัวเอามือข้างหน้าทั้งสองแตะติดพื้นเริศหน้าเริศตามาทางเข้ากับเชิฐาเหมือนกับจะบอกให้รัวเอาอาหารมาให้แล้วจากนั้นก็เดินสี่ตีน ถอยออกไปนั่งคุมเชิงอยู่ทางหนึ่งไม่ห่างนักถ้าเราไม่ได้ฝันหรือว่าตาฝาบอย่ในขณะนี้ผมรู้สึกว่าสถานการณ์ของพวกเราทุกคนน่าจะดีขึ้นแล้วนะหรื อ, อยังไงระพินเชษฐากระสิบครับผมก็รู้สึกเช่นนั้นนะครับเท่าที่เห็นชัดอยู่เนี่ยเอาอย่างไเดีขั้นแรกสุดก็คือจัดการกับกระเพาะของเราซะก่อนบอกให้พวกเราทุกคนออกจากกระท่อมได้แล้วละครับ อย่าใครทำอะไรผิดปกติขึ้นทั้งสิ้นออกมาอย่างธรรมดาที่สุดนะครับเชี่ยวถามมุดศีรษะเข้าไปในกระทอบสังกระพักพวกทุกคนที่รอฟังข่าวอยู่ด้วยความรู้สึกอันพันแปรไปอีกอย่างหนึ่งในขณะที่รัพพินลุกขึ้นเดินช้าๆตรงเข้าไปที่ซ่าของสมันหนุ่มตัวนั้นมันเป็นซ่าที่เพิ่งตายใหม่ๆขนาดตัวยังอุ่นอยู่ไม่มีบาดแผลอันใดนอกจากคอหัก ซึ่งแม่ละ่ะเกิดจากพละกกำลังมหาศาลของไอธ้ธมูลพวกนั้นนั่นเองเบื้องหลังทั้งหมดที่อุดอู้กันอยู่ในกระท่อมที่พักหลบภัยตั้งแต่เมื่อคืนค่อยๆทยอยกันออกมาเบื้องนอกจนครบคนด้วยสีหน้า แ, แปลกๆยากที่จะบรรยายได้เจถาชายันดาริมแงส า, ายและมาเรียถือไรเฟิลประจำมือพร้อมแต่ไม่อยู่ในท่าที่ว่าจะจ้องระวังเตรียมยิง ส่วนไรเฟิลของระพินซึ่งทิ้งอยู่ในกระท่อมตอนที่เขาโผล่มาเป็นครั้งแรกนั้นบุญคำถือติดมือออกมาด้วยทุกคนเหล่านั้นรวมกลุ่มออกันอยู่ตรงหน้ากระท่อมสังเกตท่าทีไปยังเจ้าพวกธรโมน์ไพรอย่างหวาดระแวงไม่สู้จะไว้วางใจได้สนิทนักพอเห็นว่าพวกมันทั้งหลายคงอยู่กันด้วยอาการเป็นปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรผิดปกติผิดแปลไปก็เบาใจขึ้น บางเหยียดแข้งเหยียดขาบีดตัวด้วยความเมื่อยขบแล้วพากันเดินเข้ามามุงอยู่ที่ระพินผู้ขณะ น, นี้ยืนพิจารณาอยู่ที่ทราบสมนตัวนั้นงงจริงจริงวะ่ะดูถ้ามันเหมือนจะผูกมิตรกับเรานั่นแหละชัยันพื้นพำขมวดคิ้วยน่นเอาเป็นว่าอิ่มท้องกันซะก่อนเถอะครับและบางทีเราอาจหายงงกันได้มันรู้ใจอยู่ว่าพวกเราทุกคนนะขาดอาหารแล้วก็กําลังหิว ระพินพูดปนหัวเราะเบาๆแล้วหันไปสั่งงานกับคนของเขาทันทีพวกหนึ่งช่วยกันจัดการถลกหนังอีกพวกหนึ่งหาฟืนจากกองฟืนเก่าที่ดับเมื่อคืนมาก่อไฟขึ้นทันทีพรานใหญ่กำชับสั่งคนของเขาทุกคนให้เคลื่อนไหวทำงานกันอย่างธรรมดาที่สุดโดยไม่ต้องหันไปสนใจกับเจ้าพวกธรรมน์ไพรที่แวดล้อมกลาบเกลื่อนตัวอยู่เหล่านั้นไม่ว่ามันจะทำหน้าหลอกหลอนเช่นไร มันไม่ขบหัวบุญคําแน่น า, นายตาเท่าพูดเสียงอ่อยๆขณะที่ชํำเลืองไปยังจ่าฝูงซึ่งนั่งเอามือเกาหลังควากควกเอียงหน้ามามองแกอยู่ตอนที่จะเข้าไปขนฝืดเออถ้าขบเมื่อไรก็รู้เองแหละกระพินร้องบอกไปทําเอาตาพรานเท่าสมุนขวาของเขาทําหน้าพิ ก, กลเชษฐาดารินและชยันยังยืนรวมกลุ่มกันอยู่ใจกลางลาน ในขณะที่รพินยืนห่างอยู่อีกมุมหนึ่งทาหน้าที่คอยจับสังเกตปฏิกิริยาการเคลื่อนไหวของฝูงทโมนเหล่านั้นระหว่างที่คนของเขาลงมือทำงานอย่างชนิดแข่งกับเวลาทุกคนกำลังหิวจัดและต้องการอาหารอย่างยิ่งมาเรียืนเด่นดัด ก, กายอย่างมึ่ยขบอยู่อีกทางร่างอวบอัดแข็งแรงและกอบไปด้วยส่วนนูนส่วนวาแห่งเจ้าแม่ประลมโลกของหลง ปรากฏอยู่ในแสงอารามเรืองของตะวันเชา้าจากพฤติการที่เห็นกับตาแบบนี้หล่อนไม่มีความหวันเกรงใดๆต่อกองทัพลิงดำเหล่านั้นอีกแล้วเพราะเชื่อแนวอ่ว่าจะอย่างไรเสียมันก็ไม่ทำอันตรายแน่นอนจึงออกเดินเร่สังเกตทางหนีทีไล่รอบๆ บ, บริเวณตามนิสัยแล้วก็เดินมาหยุดยืนเท้าเอวดูบุญคากับเจ้าตองสูของหล่อนกาลังช่วยกันกอ่อไฟอยู่โดยไม่รู้สึกตัวว่าบัดนี้ ไอ้ตัวจ่าฝูงซึ่งเป็นตัวเดียวที่เข้ามายุ่มย่ามกลางลานทำทีประหนึ่งว่ามันจะเป็นค น, นหนึ่งในคณะของฝ่ายมานุษย์กําลังทาปากยืน่นจ้องขม็งมายังหล่อนด้วยความสนใจยิ่งนายแมมเสียงตาเท่ากระซิบขึ้นเบาๆบุญคําว่านายแมมอย่ามายืนอยู่ตรงนี้เลยไปนั่งรวมกลุ่มอยู่กันนายใหญ่ดีกว่าอย่าเดินไปเดินมาเลยทําไมอ่ะ มาเรียสงสัยบุ้งคํากลืนน้ำลายลงคอฝึกๆแล้วบุยปาไปทางเจ้าธมนพรยนายแมมดูนั่นสิไอ้ลิงเวนน่ะมันกำลังจ้องนายแมมตาเป็นมันทีเดียวสงสัยว่ามันจะรู้แล้วล่ะว่านายแมมเป็นผู้หญิงสวยเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไอค้คาไอ้สางปาหรือต่อให้พรานใหญ่ก็ช่วยนายแมมไม่ได้ทีเดียวนาะมาริยหันขวักไปทันที แล้วก็เห็นเข้ากับปฏิกิริยาอันผิดปกติของเจ้าธโมนนั่นจริงๆมันจ้องดูหล่อนขมิงทําโยกตัวไส่อยู่ไปมามีน้ำซ้ำยังเสือกเอามือขึ้นป้องหน้าขยับปากอยู่ยับยับสัญชาตญาณแห่งการระแวงไผ่ทาให้หล่อนชักใจไม่ดีอยู่เหมือนกันแต่ฝืนยิน้มมันไม่ทําอะไรหอกบุญคำถ้าทามันก็ทชนานแล้วฉันไม่กลัวหรอก ไอ้ใจมันไม่ได้น่านายแมมนักรีไปรวมกลุ่มกันในายใหญ่ซะเถอะนั่งเฉยๆอย่างนาหญิงบางทีมันจะเลือกสนใจเะม่นจะทำอะไรช้นกน็มันรู้ไปแมงสาวแข็งใจบอกแต่ตาก็ไม่วายจับนิ่งอยู่ที่ไอ้ตัวนั้นบุญคำจุ ป, ปากเบาแล้วบ่นออกมาเป็นภาษาไทยว่าบอกไปเชื่ออยากเป็นเมียลิงก็ตามใจสิไม่ทันจะขาดเสียงของบุญคา เจ้านินเพชรก็ลุกขึ้นยืนจังก้าทันทีโดยไม่เปลี่ยนสายตาไปจากร่างระงานเต็มไปด้วยเนื้อหนังมังสาของมาเรียฮอฟมันขยับเดินโครตัวเข้ามาแมนสาวใจหายว่าเดินถอยหลังทังห่างออกจากกลุ่มของบุญคำจะเลี่ยนกลับไปยังกลุ่มของเฉษฐาดารินและช ย, ยันซึ่งแบบ น, นี้นั่งสงบ ร, รวมกันอยู่ที่ขอนไม้แต่แล้วทันทีนั้นเองเมื่อเห็นหล่อนเดินแผลนี้มันก็ตามปรีเข้ามาเดเร็ว พุ่งเข้าสกัดขวางหน้าไว้พร้อมกับกางแขนทั้งสองออกทำกิริยาเหมือนจะโอบต้อนไล่จับตัวมาเรียร้องออกมาสุดเสียงอย่างตกใจถอยหลังกรูดยกปากกระบอกไรเฟิลจ้องอกของมันไว้อย่าเข้ามานะไปรอนตะโกนเอ็ดหน้าซีดทุกคนหันกลับไปเห็นภาพนั้นด้วยความตกใจตะลึงนั้นเมยอย่ายิงระพินไพรวันร้องเห็นพรวดเดียวก็ามาถึงไอ้ธมลไพรกระแมมสาว ผู้กำลังประจันหน้ากันอยู่อย่างหน้าหวาดเสียวนั้นกระชากแขนมารีให้หลบไปอยู่เบื้องหลังของเขาตนเองก้าวออกไปสกัดขวางอยู่เบื้องหน้าจ้องตาขมิงในขณะที่เชษฐาชัยยันดารินและงเงาทรายพรวดขึ้นยืนพร้อมกันหมดอย่างระวังเตรียมพร้อมสําหรับเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งอาจเกิดขึ้นในภาวะเช่นนี้เจ้าลิงใหญ่หยุดชะงักเมื่อมนุษย์หน้าเหี่ยมสายตากล้าวเข้ามายืนขวางกั้นเหยื่ออันน่าสนใจของมันไว้มันเลือดหน้ามองเขา เหมือนจะถามว่ามันเรื่องอะไรที่เองบังอาจมาเสือกขัดขวางข้าไว้นั่งยื่นหน้าแยกเขี้ยวขาวใกล้จนห่างเพียงสอกเสร็จแต่มนุษย์คนนั้นไม่หลบไม่ถอยอีกทั้งไม่แสดงอาการว่าจะคลั่นครามขามเกรงมันด้วยนอกจากจ้องเขม็งอยู่เช่นนั้นท่ามกลางความใจหายใจคว่มของพรรคพวกทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ในขณะนี้ขณะจิตต่อมา มันจึงค่อยๆเลี่ยงถอยไปนั่งเกาอยู่ที่เดิมพรานใหญ่ถอนใจออกมาอย่างโล่งอกพูดลอดไรฟันโดยไม่เลี้ยวหลังบอกกับมาเรีว่าถอยเข้าไปอยู่กับพวกคุณชายเดี๋ยวนี้นะคะุดแล้วก็นั่งรวมกลุ่มอยู่ที่นั่นอย่าออกมาเดินเพ่นผ่านอีกถ้าไม่อยากลำบากมาเรียนเนื้อตัวสั่นเทาไปหมดจะเข้มแข็งห้าวหารสักบานใดก็ตามบัดนี้หลอนก็ขวัญหนีดีฟอแทบจะทาอะไรไม่ถูก เมื่อเผชิญหน้ากับไอธรร้ธมลจ่าฝูงในระยะใกล้ชิดขณะที่มันทำท่าไล่ต้อนรีบถอยหลังเข้าไปในกลุ่มของเชื้าโดยเร็วพอถึงก็กาดดารินไว้แน่นทำตาเหลือกแง้มมองขึ้นไปบนท้องฟ้าโอ้พระเจ้าเกือบไปแล้วทำไมนะเมเกิด อ, อะไรขึ้นมันถึงได้ไล่เธอดารินถามกระหืดกระหอบฉันฉันฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน เพื่อนสาวต่างผิวบอกอย่างยากเย็นตะกุกตะกักฉันฉันกำลังยืนดูพวกนั้นก่อไฟอยู่ดีๆเห็นมันจ้องฉันคาเหน่งทีเดียวทาท่าพิกลเพราะฉันจะเดินปลกมาที่นี่มันก็ปราดเข้ามาตันท่าเหมือนกับจะตะครุบตัวโอ้ยใจหายหมดเชิดามมมริมฝีปากแน่นขณะที่จ้องไปลังไปยังเจ้าลิงเวนตัวนั้นอย่างใคร่ครวญเอ๊ถ้าจะไม่ได้การจะแล้วนะ รู้สึกว่ามันจะแยกออกนะว่าในระหว่างพวกเราเนะ่ะใครเป็นผู้ชายใครเป็นผู้หญิงแล้วก็รู้สึกว่ามันจะสนใจผู้หญิงเป็นพิเศษซะด้วยที่จากท่าทางที่มันไล่ต้อนเมเมื่อตะกี้นี้ดารินลืมตาโตร้องออกมาตายแล้วครับพี่ใหญ่แล้วถ้าํายังไงดีล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นนะ่ะแล้วหล่อนก็ห่อตัวขนลุกขนชันขึ้นมาก็ต้องระวังกันหน่อยละ น้อยกับเมก็อย่าพยายามออกไปเดินเกะกะให้เป็นเป้าสนใจของมันเป็นอันขาดรูปการอื่นๆทั่วไปทำท่าจะดีขึ้นแล้วนะระหว่างเรากับมันอย่าให้มันกลับตลับบไปซะเพราะบังเอิญพวกเรามีผู้หญิงอยู่ด้วยสองคนชิบหายล่ะสิเจอดไอ้ลิงทีเด็ดเขาให้แล้วชยันครางออกมาแล้วหันไปมองหน้าอันซีดเผือดของแม่สาวผมทองแต่ให้ตายเถิน้ำเม สเสน่ห์แห่งเพศของคุณมันไม่ได้มีอิทธิพลอยู่เพียงมนุษย์ผู้ชายด้วยกันเท่านั้นนะขนาดลิงตัวผู้ยังวุ่นวายไปหมดพ ผ, ผ่าสิแันเดี๋ยวก็ได้กลายเป็นลายชีนีนะคอลิงไปซะเท่านั้นล่ละมารีฮอฟมันนิ่งเงียบกริบหน้าซีดเผือดอยู่เช่นนั้นจะแก่นแก้วห้าวหารสักเพียงใดก็ตามบัดนี้เหตุการณ์เท่าที่ปรากฏให้เห็นกับตัวเองทำเอาอกสันขวัญหายเลือที่จะกล่าว ไอ้ลิงเจ้ากรรมตัวนั้นสซอาการพิกลช่ละพระเจ้าทรงโปรด ถ, ถ้าหากมันเกิดมีแสญชาติยานแห่งสัตว์เพศผู้กหล่อนจริงๆเหมือนอย่างที่เคยพูดท้าทายพล่อยๆไอ้กวกชยยันนี่หล่อนมีจำแย่เหรอคิดแล้วแม่มสาว ก, ก็บังเกิดอาการหวาดสยองจับคู่หัวใจจนต้องหลับตาลงดารินวราฤทธิ์เป็นอีกคนหนึ่งในคณะซึ่งความรู้สึกอันสบัดร้อนสบัดหนาวไม่ผิดอะไรกมารี นอกจากเพื่อนสาวต่างผิวแล้วก็ยังมีหลอนอยู่อีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงของคณะคณะนั้นเองพรานใหญ่ก็เดินเลี่ยงเข้ามาใกล้ด้วยสีหน้าอันหนักใจแต่ก็ฝืนยิ้มให้กับคณะนายจ้างของเขาไม่มีอะไรแล้วครับมันล้อเล่นเขาบอกเบาๆล้อเล่นเหนือมือตะกี้ฉันเห็นกับตานะว่ามันทาท่าเหมือนจะไล่ปล้ำเมยอย่างนั้นแหละดารินพูดเสียงเครือ สันดานลิงทั่วไปมันก็อย่างงั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผู้ถ้าเห็นผู้หญิงก็มักจะหลอกล้อทำหยาบโลนเข้าใส่เสมอแต่อาการเมื่อครู่นี้มันก็แค่หยอกล้อเท่านั้นเองถ้ามันจะเล่นงานจริงๆป่านนี้ผมก็ถูกมันฟัดตายไปแล้วที่ไปขวางหน้าดักมันไว้คุณก็อาจมีอำนาจประหลาดอยู่ในตัวเกี่ยวกระสั์ทุกชนิดก็ได้ที่ทาให้มันเกรงพอเห็นขวาหน้าไว้มันก็เลยถอยไป แต่ฉันว่าถ้าไม่มีคุณมัตติกี้เป็นได้ ย, ยุ่งกันใหญ่ละไม่ได้ล้อเล่นแน่ๆ น, นะเมื่อติกี้อาการของมันที่สนใจต่อเมมันประหลาดพิกลอยู่เหมือนกับไอ้โจนหร้อยไล่ปล้าผู้หญิงยังไงอย่างนั้นเชีนักมนุษยวิทยาสาวไม่ยอมผ่านข้อกังวลใจชนิดใหม่ที่เกิดขึ้นไปไง่ายๆกระพินคงหัวเราะปลอบใจอยู่เช่นนั้นชำเลืองไปทางมาเรียผู้ขณะ น, นี้นั่งเอามือประสานอกไว้ท่าทางอกสั่นขวัญเต้นยังไม่หาย เชื่อผมนะครับเฉยๆดีกว่าครับที่งไงพวกเราก็ยังอยู่กันครบอาวุธก็มีติดมืออยู่คงไม่มีใครยอมให้ไอ้ทธมน์พวกนั้นแตะต้องคุณหญิงหรือเมย์หรอกผิดนักเราก็อาจต้องสู้ตายทั้งหมดแต่ผมไม่เชื่อนะว่ามันจะเกิดเรื่องร้ายแรงถึงเพียงนั้นในเมื่ออะไรต่ออะไรก็ดีขึ้นจนถึงแค่นี้แล้วไม่รู้ละคุณจะมาโทษฉันไม่ได้นะบอกซัก่อนนะให้ตัวใดตัวหนึ่งแตะต้องฉันเมื่ อ, อไหร่ ฉันเป็นยิงเมื่อนั้นเม่อะไรเป็นการสิจอมพลไม่ตอบเช่นไครแต่หันไปมองดูเจ้าจ่าฝูงตัวนั้นบัดนี้มันยังคงนั่งแกะโน่นเกานี่ยุกหยิกตามประษาลิงอยู่ที่เดิมของมันดูจะไม่สนใจกับอะไรอีกก็เหมือนลิงเลี้ยงเชื่องๆที่ถูกปล่อยมาให้ปะปนอยู่กับกลุ่มมนุษย์ที่มันคุ้นเคยหรือมิฉะนั้นมันก็อาจจะถือเสมือนว่ามนุษย์ทั้งสิบสองชีวิตคณะ น, นี้เป็นสัตว์พันธุ์เดียวกับมัน ไม่แสดงอาการหวาดวันดรือกลิ่นเกรงใดๆด้วยว่ามนุษย์จะบังอาจเป็นภัยต่อมันยังไงได้พวกแพร่พื้นเมืองก่อไฟลุกขึ้นโชดถลกหนังและเนื้อสมนออกมาเป็นชิ้นบางๆสําหรับที่จะเป็นอาหารเฉพาะชั่วมือ้อตลอดเวลาแห่งการเคลื่อนไหวไฝ่ายมนุษย์พวกมันทั้งหมดซึ่งมีจํานวนมากมายเหล่านั้นอยู่กันในอาการสงบแม้จะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนักดูราวกับว่าจะมีเจตนาโดยตรงที่จะให้เวลาสําหรับการกินอาหาร เป็นสิ่งต้องการอันดับแรกของทุกคนอย่ามนี้ระหว่างรอเนื้อย่างไฟทั้งหมดเข้ามารวมกลุ่มกันอีกครั้งตรงบริเวณใจกลางลานเชษฐาบบกมือเป็นสัญญาณเรียกให้ระพินเข้ามานั่งใกล้ๆรพินผมรู้สึกว่าที่เงาายบอกเราไว้มันน่าจะมีข่าวความจริงใช่แล้วนะคุดท่านหัวหน้าคณะกระซิบขึ้นด้วยเสียงแผ่วต่า ไอ้พวกนี้ไม่น่าจะเป็นลิงธรรมดาทั่วๆไปที่เราเคยรู้จักแต่มันน่าจะเป็นมนุษย์วานอนหรือสัตว์ประเภทต้นตระกูลของมนุษยชาติซะมากกว่าสังเกตดูจากความฉลาดของมันมันสมองหรือระดับความนึกคิดเหนือกว่าดิรชานทั่วไปมากจากพฤติการต่างๆที่เราเห็นอยู่นี่ผมมันแน่ใจอตอนที่มันหาอาหารมาให้เราเนี่แหละมันแสดงออกให้เห็นในรูปความคิดแผนการ และจิตนาอะไรบางอย่างโดยเฉพาะของมันเด่นชัดทีเดียวคุณชายมีความเข้าใจยังไงลหรอครับผมว่าตอนนี้เราตกเป็นเชลยของมันใช่แล้วละ่ะคุณว่าอย่างนั้นไหมละ่ะเชษถาพูดเบาๆที่สุดกระพินกัดเรีมฝีปากกวาดสายตาไปรอบๆยังไม่อาจที่จะแสดงความเห็นเช่นไรออกมาได้ระหว่างที่เขายังนิ่งอยู่นั้น อดีตท่านทูตทาหารบกกล่าวต่อมาด้วยความสุขุมลึกซึ้งของวิจารณญาณคิดดูให้ดีนะรพินลองคิดถึงพฤติการของมันแต่ต้นมาเป็นลำดับทุกระยะและเราจะมองเห็นความจริงชัดขึ้นมันขโมยปัใจจัยในการยังชีพของเราไปเพื่อตัดกำลังทิ้งกระท่อมไว้ให้เราพักอาศัยแรมคืนล้อมป้องกันไม่ให้เราหนีไปไหนได้พอรุ่งเช้าก็เข้ายึดอาณาบริเวณ นี่น้ำซ้ำยังรู้ด้วยว่าพวกเรากําลังแย่เพราะขาดอาหารก็ไปหาอาหารให้ประทังจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันก็ยังควบคุมเราไว้เฉยๆให้เวลาเรากินอาหารที่มันจัดหามาให้รู้สึกว่ามันจะอ่านสถานการณ์ของเราออกและเข้าใจพวกเราดีหมดทุกอย่างฝ่ายเราซะอีกสิยังไม่อาจเข้าใจอะไรมันได้นักเพราะมวัวแต่คิดอยู่่ามันเป็นสัตว์ดิรัชานทาอะไรปราศจากแผนการหรือมันสมอง ผมละมึนตื้อไปหมดจริงๆครับจอมพรานรับสารภาพชีวิตพรานอย่างผมเคยเผชิญสัตว์ป่าธรรมดาทั่วๆไปเท่านั้นไม่เคยเผชิญกษัตริย์ที่มีพลังสมองเหนือสัตว์ดิรัจฉานอย่างคุณชายว่าก็เลยทําให้ดาวอะไรไม่ออกนอกจากจะคอยอ่านไปจากปฏิกิริยาการเคลื่อนไหวของมันทีละขั้นที่เห็นเท่านั้นก็ลองจยากคิดว่ามันเป็นสัตว์ดิรัจฉานศิลปินคิดซะว่ามันเป็นคน มีมันสมองประเภทเดียวกับเราและลองอ่านแผนว่ามันกำลังดำเนินการอะไรกับเราอยู่ถ้าเป็นคนด้วยกันนะครับก็ไม่มีอะไรให้เข้าใจเป็นอื่นละ่ะนอกจากว่าเราถูกจับหรือควบคุมไว้แล้วทั้งคณะเป็นการจับเป็นอย่างละม้อมที่สุดโดยเอาสถานการณ์อันได้เปรียบนี้บีบบังคับให้เรายอมจนอนํานนเพื่อผลประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งของมัน แต่ผมไม่อยากจะคิดเช่นนั้นเลยนะครับมันทําให้เกิตติยศแห่งความเป็นมนุษยชาติของเราเสื่อมเสียไปหมดนี่อย่างเหรอที่มนุษย์อย่างเราตกเป็นเฉลยอยู่ในความควบคุมของสัตว์นะเชิฐายิ้มขึ้นขึ้นตาแหลจับไปยังฝูงธมูมนเหล่านั้นเราคิดว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีทุกสิ่งทุกอย่างเหนือกว่ามันแต่เราก็ไม่อาจจะอ่านความคิดของมันได้ถูกเลยว่ามันคิดต่อพวกเรายัางไง พวกมันเองก็อาจเห็นว่าเราเป็นสัตว์อะไรชนิดหนึ่งที่ต่ำต้อยกว่ามันก็ได้ถ้าจะถือสัตว์ของความเป็นมนุษย์เสียชาติที่สูงส่งของเราซึ่งเกรงว่าจะเสื่อมเสียไปอย่างคุณว่าผมว่าเราได้เสื่อมเสียไปซะแล้วนับตั้งแต่ถูกมันปิดล้อมบังคับให้เรายอมจำนนตลอดจนเอาอาหารมาให้เราประทังชีวิตนี่เพราะอย่างน้อยที่สุดก็แสดงว่ามันเหนือกว่าเราแล้วถ้าเราเก่งกว่ามัน ทำไมเราถึงไม่สามารถจะเอาชนะมันได้ตั้งแต่เมื่อคืนที่แล้วมาจริงอยู่เราอาจไม่ยอมจำนวนต่อมันโดยตรงแต่ก็โดยปริยายอยู่แล้วไม่ใช่เหรอมีใครพวกเรากำลังขัดขืนหรือต่อต้านมันบ้างละคำพูดของท่านหัวหน้าคณะทำให้พรานใหญ่อึ้งไปนานด้วยความอัดอั้นปันใจถ้างั้นก็ไม่ต้องสงสัยอะไรอีกปเดี๋ยวรอให้เรากินกันเสร็จพวกมันก็คงจะคงมาใส่เรา ช่วยกันแบกเข้าเมืองไปเลี้ยงไว้ในสวนสัตว์ของพวกมันนะชายันพูดเบาๆอย่างอดที่จะเป็นทารกไม่ได้แต่ไม่มีใครสนใจกับคำพูดเล่นชนิดนั้นเพราะต่างจมอยู่ในห่วงคิดอันเคร่งเครียดหาหรือกางแงสายให้ดีเทราพินที่ยังไงฉันก็อยากจะเชื่ออยู่เสมอนะว่าคุณกางแงสายจะต้องมีอุบายอะไรสักอย่างหนึ่งให้เราผ่านพ้นเจ้ามนุษย์วานอนพวกนี้ไปได้ ดารินเอ่ยขึ้นด้วยเสียงกระซิบไม่เพียงแต่ผมหรือแงซายเท่านั้นหรอกครับคุณหญิงแม้พวกเราคนอื่นๆทุกคนนับตั้งแต่ตาบุญคาลงไปจนกระทั่งขยินหรือสางปาก็คิดหาทางกันอยู่ทุกขนาดจิตแล้วแหะครับผมก็เชื่อมั่นเหมือนกันว่าเราต้องแก้ไขสถานการณ์อัดจนนี้ลุล่วงไปจนได้แต่ต้องขอเวลาสักนิดนะครับไอพวกนี้ฉลาดมากและความฉลาดของมัน น่าจะทำให้เราพอมีทางเข้าใจกับมันได้ไม่มากก็น้อยสิ่งที่เราจะทำในอันดับแรกต่อไปก็คือบรรจุกระเพาะของเราให้เต็มเอาแรงไว้ก่อนอย่าเพิ่งกังวลหรือวิตกอะไรเกินการไปนะักขอย้ำอีกครั้งนะทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะผูก้กอเชิดากล่าวด้วยน้ําเสียงเน้นหนะัก แต่ผมก็ต้องขอสติปัญญาและคําแนะนําของคณะนายจ้างของผมประกอบด้วยนะครับหลายความคิดย่อมดีกว่าความคิดเดียวและที่แน่นอนที่สุดก็คือเราไม่มีทางที่จะต่อสู้มันซึ่งซึ่งหน้าได้เลยเพราะถ้าเกิดการประจันบานกันเมื่อไหร่แปลว่าเราตายหมดเมื่อนั้นภายในไม่กี่พริบตาทางออกในขณะนี้ก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือต้องแสดงอาการเป็นมิตรกับมันและปะปนกลืนอยู่ในฝูงของมันนี่แหละครับจนกว่าจะได้โอกาส เอาของของเราคืนมาแล้วก็หลบหนีอย่าให้มันรู้ก็เห็นจะต้องเป็นทานองนั้นล่ะแต่ก็นึกไม่ออกนะว่าเราจะวางหน้าตายปัดบนคลุกคลีอยู่กับกลุ่มของพวกมันด้วยดีไปสักเท่าไหร่โดยไม่เกิดเรื่องขึ้นสะ ก, ก่อนบอกครานของเราทุกคนให้ทราบนโยบายนี้ไว้ด้วยแล้วกันระพิดแล้วก็ให้ทุกคนคอยช่วยกันสังเกตไว้ให้ดีเพื่อจะเห็นไอ้ตัวไหนเอาข้าวของของเราที่มันขโมยไปเมื่อคืนออกมาเล่นบ้า และท่านหัวห น, านาคณะก็หัวเราะออกมาเหอะดูๆไปมันก็ไม่น่าจะเป็นสัตว์ที่ดูร้ายอมมหิดอะไรเลยนะฉลาดไวพริบพอๆกับคนแล้วก็ยังมีสันดานขี้เล่นอยู่ไม่น้อยทีเดียวมันน่าจะเป็นมิตรกับเราได้อยู่เหมือนกันนะโครงร่างก็ใกล้เคียงกับมนุษย์มากกว่าลิงทุกพันุ์แต่อะไรก็ไม่สำคัญทั้งกว่ามันแสดงอาการสนใจกับผู้หญิงของเรานี่สิํทาท่าจะยุ่งใหญ่ แล้วก็อาจเป็นชนวนเหตุให้เราต้องปะทะกับมันก็ได้ชยันพูดอย่างหนักใจหันไปมองหน้ามารียกับดารินผู้นั่งเบียดกันอยู่อย่างใจคอไม่ดีทั้งสองสาวต่างก็คลุ่นคิดกังวลใจในเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาพอชยันเ อ, อ่ยสะกิดขึ้นอีกก็แทบสะดุ้งบ้ชาชยันผู้ใดก็ไม่รู้คนยิ่งใจไม่ดีอยู่ด้วยนะนักมนุษย์วิทยาสาวพูดเสียงสัน่นทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ มาเรียนนั่งกัดตื่มฝีปากนิ่งอยู่อึจใจก็พผล่ออกมาอย่างห้าหานว่ะหึข่อยมันสนใจจริงๆเถอะบางทีสถานการณ์ของเราอาจดีขึ้นจันตัดสินใจเด็ดขาดแล้วฉันจะไม่หวั่นมันหรอกคำพูดอันเด็ดเดี่ยวของแม่มสาวทำให้ทุกคนหันขวักไปมองเป็นตาเดียวเมมีอะไรอยู่ในความคิดของคุณเหรอเชดาถามเสียงต่าๆกรหมดคิว้ว มาเรียมไม่ตอบแต่ยิ้มแค่นแค่นปาสีดอกผักตบเป็นประกายสะท้อนความรู้สึกนึกคิดภายในซึ่งไม่มีใครทายถูกอะไรก็ช่างเถอะคุณหวังว่าคงไม่ทำอะไรที่มันพลอยก่อความวิบัติยุ่งยากแก่พวกเราทั้งหมดนะระพินไพรวันกล่าวขึ้นด้วยเสียงเครียดเครียดเขาดูเหมือนจะเป็นคนเดียวในคณะที่อ่านความคิดแผงแผลง ตลอดจนความบ้าระห่ำของแม่สาวเลือดผสมเยอรมันกับฝรั่งเศสได้ถูกต้องเพราะซึมซาบนิสัยมาเป็นอันดีเน <ST outta S 1> ื้อย่างอยู่ในระหว่างดิบดิบสุกๆุแต่ทุกคนก็กินกันอย่างหิวโหยรวมกลุ่มล้อมกองไฟซุบซิบหาลูทางกันไปพลางระหว่างที่ฝ่ายมนุษย์ล้อมวงกินอาหารกันอยู่อย่างสงบนั้นไอ้ตัวจากฝูงค่อยๆเคลื่อนจากที่เดิมของมันเดินสี่ขาเข้ามาทําดมดองมมองอยู่กล้โดยรอบ เหมือนจะสำรวจปฏิกิริยาของทั้งสิบสองชีวิตภายใต้การควบคุมของมันอย่างใกล้ชิดทํเอาหายใจกันไม่ทั่วท้องอีกครั้งหนึง่งต้องคอยเหลียวชำเลืองดูท่าทีของมันอยู่ตลอดเวลาขณะที่มันเดินสายวนเป็นวงกลมอยู่นั้นเองจะเข้ามากินเนื้ อ, อยังพวกข้าก็มาี่ไอ้หอยแต่เท่าบุญคำหันไปทำเลิดหน้าหลอกแล้วพูดกับมันตอนที่มันเดินผ่านหลัง ไอหอยซึ่งถ้าจะเป็นหอยก็หอยขนาดยักษ์คงไม่สุขอารมณ์ในวาจาท่าทางของตาเท่านักข้าที่พยายามจะทำหน้าให้เหมือนมันหันกลับไปจ้องหน้าทำปากยืน่นแล้วเวียงมืออันใหญ่โตตบปาบเขาบาะบอกตางหลังของบุญคำต้าพรานจอมแก่นผู้กำลังนั่งยองๆใช้ ong, เนื้อสมันอยู่ร้องสุดเสียงหัวขมาเกือปลุดเข้าไปในกองไฟเราก็ถูกนักมวยปลอมขนาดหนักของโลกถลักอ่ะ บนคำพรวดพลาดลุกขึ้นมาเดยนเร็วอย่างโกรธจัดสะบุดดาขมุ้งโชงเฉงอิตโรไปหมดพร้อมกระลำมวยก้าแต่แล้วแกก็หน้าถอดสีชะงักทานเงียบกริบในบัตรนั้นเมื่อเจ้านินเพชรยันตัวขึ้นยืนสองขาจังก้าเผชิญหน้ากับแกห่างเพียงแค่เอื้อมมือกันถึงเี่ยการเหมือนจะยักคิ้วท้าทายให้แกรำมวยเข้ามาเออดีแล้วว่ะฝากรกนถมึงถือว่าตัวใหญ่กว่า ผมต้องไตมือได้อย่างน้อยก็ตอห น, นึ่งเผลหระวะไม่ทันจะขาดเสียงแกก็ร้องวากออกมาอย่างลืมตัวด้วยความขวัญหายอีกครั้งเพราะไอ้ธโมนจ่าฝูงแยกเคี้ยวคูตะคอกพรวดเข้าใสา่ปากที่อ้ากว้างเต็มไปด้วเคี้ยวและฟันอันแหลมคมดูราวกว่าจะอมหัวแกเข้าไปได้ทั้งหัวกรีบนั่งลงรวมกลุ่มกับพักพวกโดยเร็วหน้าเหลือสองนิ้วไอทหารพระรามพันนิน ยังแยกคิ้วขาวค้างอยู่เช่นนั้นทำเสียงคลอกเบาๆอยู่ในลำคอสายหัวเป็นว่าวจุลาอยู่ไปมาแล้วหมุนตัวหันหลังให้บุญคำลดตัวลงสี่ขาตามเดิมดีตีนหลังข้างหนึ่งแบบลูกทีบยันสู่เขให้ที่สีข้างของตาเท่าเป็นเชิงสั่งสอนตาเท่าแทบจะไปลังกาหกคเมนไปอีกครั้ง ท่ามกลางเสียงหัวรเราะลั่นอย่างอดกลั้นอยู่ไม่ไหวของพวกพรานพื้นเมืองพวกพ้องเดียวกันทั้งหลายซึ่งความหวาดตัวใจหายใจความต่เหตุการณ์กลายมาเป็นความขบขันไปซะแล้วจากสิ่งที่เห็นชิพหายนี่ทีบกูเอาแม่ฉันเถอะบุญธรรมโมโหขึ้นมาจริงๆฉวยไรเฟินของระพินซึ่งวางอยู่ใกล้ๆขึ้นมายังลืมตัวแต่แง่ท า, ายผู้นั่งอยู่ใกล้คว้าข้อมือไว้ได้ทันกดนิ่งอยู่กับที่ ชนิดที่แกไม่อาจขยับขยื่นได้ไอ้นี่ตายตัวเดียวแต่พวกเราตายกันหมดทุกคนลุงเลือกอย่างไหนเจ้ากระเรียงโฉมงามพูดเรียบๆและแลไปก็เห็นสายตาแข็งกร้าวของรพินกับนายใหญ่จ้องจับมาที่แกอยู่แล้วจึงยอมเซาสงบลงเพียงแค่นั้นแต่ไม่ไวยหันไปชำเลืองค้อนอย่างอาฆาตตั้ปากห ม, มุกมิบดาพึมอยู่ในลาคอ คำกลางเสียงหัวรอกขี้คัดอยู่ทั่วไปของพวกพรานพื้นเมืองแม้แต่ดาริกมกามเรียก็ยังอดหัวรอกออกมาไม่ได้เป็นครั้งแรกไอ้ลิงเปรตนี่มันขี้เล่นทีเดียวแหละทีบลูกหลังก็เป็นด้วยเห็นได้จะไม่สู้กับไรนักรอกถ้าลงรู้จักเล่นแบบเนี้ยชยันพูดพลางหัวรอะพลางมองดูมันด้วยสายตาทึ่งๆมันี้ความรู้สึกของทุกคน ดูเหมือนจะเกิดความคุ้นเคยเป็นกันเองกับมันเพิ่มขึ้นอีกจากปฏิกิริยาที่มันสัแดงหลอกล่อบุญคำเมื่อครู่นี้ความหวาดกลัววิตกกังวลว่ามันจะทำอันตรายใดๆแทบจะหมดไปโดยสิ้นเชิงหรือไว้แต่เพียงความอึดอัดงุนงงเท่านั้นขณะนั้นมันเดินผ่านเบื้องหลังของทุกคนเข้ามาใกล้ยช ย, ยันซึ่งก็พอดีกับที่เขามองหน้ามันอยู่ก่อนแล้วและช ย, ยันก็แยกเขี้ยวยิ้มด้วย เห็นไงครับคุณธมลนศักดิ์ถ้าคุณจะเข้ามาร่วมวงกับพวกเราด้วยผมก็จะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเชิญครับเชิญเชิญเชิญเชิญไอ้หอยจะฟังรู้เรื่องในคําพูดของชายันหรือไม่ก็สุดที่จะเดาแต่ท่าทางดูจะชอบอกชอบใจกับชื่อธมลนศักดิ์ที่ชายันตั้งให้เป็นอย่างยิ่งมันเอียงหน้าเปิดริมฝีปากอันหนาเตึกเหมือนจะยิ้มตอบแล้วค่อยๆ ค, คลานโงงงางเข้ามา นั่งซ้อนอยู่ด้านหลังชา ย, ยันกเชิถาจริงๆมีน้ำซ้ำอย่างเสือกเอามืออันใหญ่โตรุงรังไปเ้ือขนของมันวางไปไปบนบาของเชฐถากับชายันคนละข้างอย่างถึงสนิททำมอาทั้งสองถึงก็นั่งตะลึงตัวแข็งไม่กล้ากระดุกกระดิกดชิบหายละสิไอ้เปรตที่มันเอาจริงแฮะชา ย, ยันทำตาเหลือพูดรอดไรฟันออกมาแทบจะไม่ยอมหายใจแล้วรีบหันหน้าหนีอย่างหวาดเสียว เมื่อมันทำปากยื่นชะงโงกหน้าเข้ามาในระหว่างช่องไหลทั้งสองด้านมองหน้าชายันทีหันไปมองหน้าเชษฐาทีสลับกันเหมือนจะเสวนาปราัยด้วยเฉยๆไว้นะครับไม่ต้องตกใจถ้าทางมันยอมเป็นมิตรกับเราแล้วชายันนั้นผ่าไปทำอุตรีทักทายกับมันเองแต่เดี๋ยวนี้พอมันเข้ามานั่งอยู่ข้างหลังเอามือจับไหลก็มีความรู้สึกแทบจะช็อก ส่วนเชี่าสติและกำลังใจมั่นคงกว่าเขาเอี่ยวหน้าไปมองมันซึ่งบัดนี้ยื่นหน้าเข้ามาห่างเพียงฝ่ามือเดียวหัวเราอฮืในลําคอและส่งเนื้อย่างในมือไปให้เจ้าทโมลศักของชัยยันทําเสียงเบาๆในลําคอหยิบเนื้อย่างจากมือเชี่ยาไปดมแล้วโยนอย่งางไม่แยแสลงกับพื้นตรงหน้ามองหน้าคนนอนทีคนนี้ทีเท่าที่นั่งล้อมกันอยู่เป็นวงกลมเหมือนจะสํารวจทักทายไปทั่วๆ ดารินผู้นั่งถัดจากชายันไปทางด้านขวาก้มหน้านี่ไม่ยอมมองสบตามันคงมีแต่มารีเท่านั้นที่ปากยังเคี้ยวเนื้อย่างด้วยอาการปกติแต่มองจับประสานตากับมันอย่างปราศจากความขั้นคล้ำเหมือนพยายามจะอ่านลงไปให้ถึงสัญชาตญาณแห่งความคิดในสมองของมันไม่อย่าไปมองมันสิก้มหน้าลบจ้ดารินสกิจเพื่อนสาวต่างผิว กระซิบเบาที่สุดอย่างตรโนอกอกสั่มแต่มาเรียนไม่สนใจกับคำเตือนนั้นปาสีเขียวของหล่อนแล่เพ่งไปยังมันมีน้ำซ้ำยังขยิบตาให้นิดนึงเหมือนจะล้อเรียนเล่นซะด้วยไอธมลแปลความสนใจทั้งมวลไปจับอยู่ที่หล่อนทันทีดูมันจะมีอาการแปลกใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกันสำหรับมนุษย์ผมสีทองหน้าตาจิมริมตนนั้นมนุษย์ on, อ่อนแอนอรชนอกอว ซึ่งมันเคยพิศวงในตอนแรกแต่ก็ชะงักลงซะ ก, กลางคันเพราะมนุษย์ชายสายตากล้าวเต็มไปได้วยอำนาจอย่างประหลาดปราดเข้าไปขวางหน้ามันไว้ซะก่อนระพินไทวันสังเกตเห็นท่าทีอันไม่ชอบมาพาค น, นั้นได้โดยตลอดโดยความรู้สึกอันอ่ดอัดยังไงบอกไม่ถูกเขาไปไม่ห่วงมาเรียเลยข้าที่อุตริไปทาเล่นหูเล่นตากับมันแต่เป็นห่วงหม่อมราชวงศ์หญิงคนนั้นจึงจะพลอยเดือดร้อนไปด้วย พระนิสัยอันชอบใช้สเสน่ห์แห่งเพศของแม่สาวผมทองโดยไม่เลือกถ้าหากหล่อนรู้ว่ามันจะก่อประโยชน์ขึ้นได้และในขณะนี้มาเรียก็นั่งอยู่ใกล้กับดารินซะด้วยถ้าหากมันเข้าไปป่วนเปลี่ยนยุ่มยามกับมาเรียก็แน่ลักมันจะต้องหันมาเห็นความน่าสเสน่หาของมนุษย์ผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วยมาเรียไม่กลัวมันแต่ดารินสิกลัวคนไม่กลัวอาจเล่นหัวคลุกคลีกับมันได้ แต่คนกลัวอาจเอาลูกปืนยัดใส่มันเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าตกใจขึ้นมาและถ้าลูกปืนมันลั่นตูมขึ้นมาเพียงนักเดียวแผนการทุกสิ่งทุกอย่างก็จะพินาศลงในทันทีผู้ร่วมคณะทุกคนแม้แต่พรานพื้นเมืองก็สังเกตเห็นพฤติการอันท้าทายของมาเรียนนี้ได้ทั้งสิน้นต่างนิ่งงันกันไปหมดชั่วขณะด้วยหัวใจอันเต้นระทึกไม่เป็นจังหวะวิตกอย่างเดียวกันหมดนั่นก็คือ ไอ him, so ้ลิงเจ้ากันนั่นเกิดบ้าครั้งทําอนาจารกับแม่มสาวเอาโดยพารการต่อหน้าต่อตาจะช่วยเหลือกันได้ยังไงโดยไม่ให้เสียเลือดเลือเฮ้ยไอ้สางตาถ้าไอ้ลิงสัปดินนั่นมันขอนายแม่มของเองทําเมียจะทำกันยังไงดีวะบุญคําเอียงหน้าเข้าไปกระซิบริมหูของเจ้าตองสู่ก็จุกันมันไปขอบ้องกันชายฆ่าคืนก็แล้วกันสางปากระซิบตอบหน้าตาเฉย ตาเท่าทำตาเลือกทุไอ้เวนนี่เองห่วงบ้องกันชายยิ่งกว่าแม่ของเองอีกเลโทรนายเขาเหลืองขนบุ้งรังทั้งตัวเหมือนลิงเหมือนกันนายแม่มยังเป็นเมียได้ทำไมจะเป็นเมียลิงไม่ได้ตาเท่าอย่าห่วงเลยนายแม่เน่ยอยากได้ลิงใหญ่ทำผัวมานานแล th th ot, ้วแล้วเองพู้ได้ยังไงว่านายแม่มอยากได้ลิงเป็นผัวก่อนนายแม่มเคยบอกกับนายเขาเหลืองอ่ะข้าได้ยิน บุญคำจ้องหน้าซื่อปนซอร์ของเจ้าสางตาจุ ป, ปากเบาๆปะโถไอ้สางเอ็งนี่มันไม่ประสีภาษาอะไรเลยถ้าเอง็งเคยได้ยินอย่างนั้นแล้วเวลาอย่างนั้นก็แปลว่าเขาโมโหผัวเขาก็าถึงแกลงบอกเอ็งประชดผัวขี้เศ้าไม่เอาไหนก็ไม่อยากมีผัวลิงอย่างเอ็งเข้าใจหรอกแล้วอลิงอย่างอื่นก็พอทำเนาหรอกโดนเอาไอ้ลิงยักษ์พันนี้เขา้าละก็มีผัวมนุษย์สักสิบคนในเวลาเดียวกันก็ยังไม่เท่า เองนึกว่านายแม่มของเองน่ะเป็นนางยักษ์เบญจา ก, กายได้ยังไงถึงจะมีผัวเป็นฮนุมานได้ไอ้ ก, กูถังเอ้ยเจ้าสางตาไม่เคยรู้เรื่องนางเบญจา ก, กายหรือฮนุมานที่บุญคำว่าแล้วก็ไม่สนใจอะไรด้วยนางหน้าเป็นสากะเบือดินหิวกัญชาห่วงเหงาอยู่ตามเดิมไม่ยอมพูดอะไรอีกความสนใจของธโมนใหญ่จาฝูงที่ข้ามาทำไสนิทกับกลุ่ ม, มนุษย์ อันเปรียบเสมือนเฉลยในความควบคุมของมันซึ่งแสดงต่อมาเรียฮอฟมันเริ่มทวีขึ้นทุกทีเมื่อมันพินิษเพ่งแล้วจึงผลัออกจากการนั่งอยู่เบื้องหลัง้ความสนใจเมื่อนั้นเองรพินจึงดืดนิ้วทําเสียงให้ดังขึ้นเป็นการเปลี่ยนความสนใจของมันได้ผลพอสมควรเจ้าทหารพระรามพันดําหันขวักตามเสียงดีดนิ้วทันทีอย่างระแวงและเหมือนจะค้นหาที่มาของเสียงจังหวะนั้นเอง ดารินผู้นั่ง อ, อกสันขวัญแขวนอยู่แล้ว <newsp. S 1> ก็ใช้ไหวพริบอันฉลาดเยี่ยมดึงแงซ่าให้เลื่อนขยับเข้ามานั่งแทนที่หลอนชิดมาเรียสเสะหรือตนเองเปลี่ยนไปนั่งข้างบุญคํจาจังหวะนั่นเองดารินผู้นั่ง อ, อกสันขวัญแขวนอยู่แล้วก็ใช้ไหวพริบอันฉลาดเยี่ยมดึงแงซาให้เลื่อนขยับเข้ามานั่งแทนที่หลอนชิดมาเรียเะหรือตนเองเปลี่ยนไปนั่งข้างบุญคําแล้วกระซิบขอเปลี่ยนที่กับส่างปาขยินจันทร์และเกิด ผลัดไปเป็นลำดับจนกระทั่งห่างจากมาเรียอยู่ฝั่งตรงข้ามหล่อนเอาตัวรอดก่อนละเมื่อเพื่อนสาวต่างผิวแสดงอาการว่าอยากจะลองดีกับเจ้าลิงใหญ่นะก็เชิญตามสบายหล่อนไม่ต้องการอยู่ใกล้ชิดและพลอยติดร่างแหแห่งความสนใจของมันไปด้วยพวกพรานพื้นเมืองทุกคนที่ล้อมวงกันอยู่ก็แสนที่จะดีและเข้าใจความรู้สึกของหล่อนโดยตลอดทุกคนยอมให้หล่อนเบียดตัวแทรกหนีแยกตัวห่างจากมาเรียออกไปเรียบเรียบ โดยชั่วกันขยับแถวบีบขนาบเข้าไปแทนกระพิมพลอยถอนใจออกมาอย่างโล่งอกที่เห็นน้องสาวของนายจ้างปรีตัวห่างมาเรียออกมาได้ล่อยแมมสาวให้เป็นจุดสนใจของมันโดดเด่นอยู่คนเดียวโดวยมีชัยยันกับแงซร า, ายผู้ไว้วางใจได้ขนาบอยู่ข้างๆพอมันเลิกสนใจกระเสียงดีดนิ้วเมื่อสักครู่นี้และเริ่มจะเร่เข้าไปหามารีตามเจตนาเดิม รพินก็แกล้งยืนขึ้นเพื่อจะหน่วงเหนียวความสนใจของมันอีกครั้งในจังหวะนี้เองเกิดเสยและจันซึ่งตามทันกลอุบายของเจ้านายทุกระยะก็ผลักกันลุกและนั่งสลับกันอยู่เช่นนั้นทําเอาไอ้ธมลไพรชะงักกึกแล้วถอยออกไปสองสามเก้าจักจะไม่แน่ใจว่าฝ่ายมนุษย์จะวางแผนดําเนินการอย่างไดกับมันคอยจ้องระวังจับตาดูอยู่เป็นการยังไหวอย่างพลิบระหว่างมนุษย์กับเจ้าลิงใหญ่ ซึ่งเต็มไปด้วยความฉลาดล้ำทันใดนั้นเองบุคคลที่ถูกพักพวกช่วยกันหาทางป้องกันรักษาความปลอดภัยให้อย่างสุดสติปัญญาก็กลับกระทำการอันเป็นโรงข้ามไปหมดวางไรเฟิลจุดสามเจ็ดห้าประจำตัวไว้กับพื้นใกล้ๆแง่ทรา ย, ายเอื้อมมือไปดึงปืนสั้นจุดสีส่สแม็กนน่ำของชา ย, ยันจากซองข้างเอวมาเหน็บซ่อนไว้ที่เข็มขัดแล้วลุกขึ้นยืนด้วยอาการปกติประกาศกับทุกคนว่า ถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องเป็นห่วงใชนไะและแม้ว่าต่อให้มันกําลังจะฆ่าฉันก็ตามทุกคนไม่ต้องช่วยฉันกล่าวจบก่อนที่ใครจะทักท้วงทันมาริฮอฟมันก็สะบัดตะโพกนวยนาดห่างจากกลุ่มพรรคพวกทุกคนที่ล้อมวงกันอยู่นั้นเดินแยกห่างเป็นเป้าเดินออกไปสู่ที่โล่งต้ยเขียงกับหน้ากระท่อมอย่างไม่มีใครคาดคิดถึงชยันขยับตัวแในเชิดากกดไหลไว้อย่าปล่อยเขา ดีเหมือนกันเราจะได้ใช้เป็นเครื่องทดสอบความรู้สึกนึกคิดและสสงชาติยานของไอ้ลิงธรรมโนนั่นด้วยเชื่อว่ามันคงไม่ทำร้ายเมโลระพินไทรวันก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับเช ฐ, ฐานในขณะนี้เมื่อมาเรียบ้าระหามกระทำการอันเป็นการฝืนคำสั่งของเขาได้ถึงเพียงนั้นก็ปล่อยให้หลอนกรมอนาคตของตนเองไว้ในมือโดยอิสระคนอย่างมาเรียนทุกสิ่งทุกอย่างถ้ายิงห้ามก็เหมือนยิงยุกก่อนอื ก้มลงเฉลยไรเฟิลจุดสเวเทอร์แม็กของดารินมายึดไว้ในมือไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะยิงไอทมโอนนั่นหรอกถ้าหากมันเกิดทำอันตรายแหม่มสาวขึ้นมาในรูปใดก็ตามหากจะเป็นการยึดอาวุธของราชกสกุลสาวไวซะก่อนป้องกันแม่หล่อนมือไวใจเร็วตามนิสัยเพราะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดารินจะลั่นกระสุนขึ้นเมื่อไหร่ในกรณีที่มาเรียยอมเอาตัวออกไปเสี่ยงถึงเพียงนั้น อห้นินเพชรหรืคุณธรมนูลสักของชายันเหลี้ยวมองตามแม่มสาวไปแล้วหันหน้าไปจ้องสำรวจทุกคนที่ล้อมวงกันอยู่อย่างอ่าน ท, ท่าทีพรายใหญ่ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ใช่ให้สัญญาณกับคนของเขาที่ลุกขึ้นยืนเหล่านั้นให้นั่งลงเป็นปกติตามเดิมพอมันเห็นมนุษย์ไม่เคลื่อนไหวทําอะไรกระโตกกระตากอีกก็ค่อยๆเลี่ยงเดินสี่ตีนบ้างสองตีนบ้างตามหลังมาเรียชา้ชาๆท่ามกลางสายตาของหมู่คณะทุกคนที่จับมองอยู่ ไม่กะพริฝูงหรือกองทัพของมันที่กระจายกันยั่วเยีอยอยู่รอบราวป่าเต็มไปหมดขณะ น, นี้ก็ดูเหมือนจะหยุดการสนใจในสิ่งอื่นๆทั้งหมดลงชั่วขณะพากันมองมาที่เรือนร่างของแมมสาวผู้เดินแยกเดียวทํากิริยาอาการไปต่างๆมาเรียเดินผ่านกระท่อมมาจนถึงขอบแนวป่าอันหนาแน่นไปด้วยฝูงธมลพวกนั้นโดยมีไอตัวจ่าฝูงเดินตามการเคลื่อนไหวหล่อนมาทุกระยะ เว้นห่างประมาณสี่ห้าวาแม่สาวไม่แสดงอาการสะดุ้งสะเทือนกับสภาพอันแยกเขี้ยวยิงฟันสลอนหลอนพยายามคิดซะว่ามันเป็นลิงเชื่องเชื่องตามสวนสัตว์ขณะเดียวกันก็สอดสายสายตามองค้นหาไปในหมู่พวกมันโดยคิดว่าหล่อนน่าจะเห็นวิแววร่องรอยของสัมภาระข้าวของที่มันขโมยไปบ้างแล้วก็จิงดังว่ามารีใจเต้นแรงเมื่อมองไปเห็นปืนลูกซองเบราว์นิงของจันทร์ ไอ้ตัวใหญ่หัวหน้าลากติดมือเข้ามาในบริเวณเมื่อคืนนี้ขณะนี้มันถูกวางทิ้งไว้อย่างปราศจากการเอาใจใส่ของพวกมันอยู่ตรงโคลนปลวกลูกนึงไม่ห่างออกไปนักและคงจะเหวี่ยงโยนทิ้งอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อคืนโดยพวกมันไม่ได้แตะต้องอีกเพราะฝนที่ตกเมื่อคืนซ้อเอาเศษดินข้างๆ ข, ข, ขึ้นมากระจายเปรอะเปื้อนเต็มไปหมดไอ้พวกนั้นเดินขวักไขก่กระนานแน่นบริเวณนั้น บางตัวก็นั่งป้องหน้ามองหล่อนอยู่บนจอมปลวกเตี้ยๆลูกนั้นขนาดนั้นเองไอ้จ่าฝูงใหญ่ที่ตามหลังหล่อนมาทุกระยะก็เคลื่อนเข้ามาถึงครั้งแรกหล่อนเกือบสะดุ้งเพราะรู้สึกถึงมือยาวรุงรังไปได้วยขนหยาบเอื้อมมือมาคล้องเอวของหล่อนไว้พลังของมันราวกังงวงถ้ากระชากก็คงปลิวหรือทรัดกระดูกก็คงเหลวในพริบตาหลอนยืนตั้นใจนิ่งไม่กระดุกกระดิก หรือทำอะไรให้ผิดปกติออกไปค่อยๆก้มลงมองก็เห็นหลังมืออันน่าเกลียดใหญ่โตวกว่ามือมนุษย์ถึงเท่าตัวตามลำแขนที่ต ว, วัดโอบมาจากเบื้องหลังนั้นวางแปะติดอยู่กลางลำตัวด้านหน้าของหล่อนพอดีอึดใจเต็มๆไม่มีปฏิกิริยาสอให้เห็นว่ามือนั้นจะทำอันตรายหล่อนมาเรียค่อยๆหมุนตัวกลับมาเผชิญก็พบเห็นมันยืนค่อมตัวอยู่ทางเบื้องหลัง ห่างออกไปเพียงศอกเดียวทำปากยื่นล่อหน้าเข้ามาใกล้ทำเสียงร้องในลําคอเหมือนอาการของลิงซิมแปนซีนักผจนภัยสาวผมทองยิ้มให้มันแล้วส่งมือออกมาให้อย่างใจดีสู้เสือหอ้หล่อนร้องทักเบาๆเจ้าลิงใหญ่มองที่มือหล่อนและมองหน้าสลับกันแล้วเอามือมาจับลูกคลมตามแขนของหล่อนเบาๆ เหมือนจะสำรวจเนื้อหนังของสัตว์ประหลาดที่มันสนใจมือหยาบเต็มไปด้วยขนนั้นคลาตัวมาเรียเรื่อยขึ้นมาจนกระทั่งถึงหัวไหล่ทรงผมสีทอต่อมาก็ใบหน้าและลำคอจับจับลูบลูบแล้วเอาไปดมตามสันดาน ล, ลิงตลอดเวลามาเรียยืนกลั้นใจให้มันจับเนื้อต้องตัวเล่นโดยสงบสัญชาตญาณบางชนิดบอกกับตัวเองว่ามันจะไม่ทาอันตรายหล่อนเป็นอันขาด และมันก็ลูบคลำไปตามสวงอกของหลอนด้วยอาการอันประหลาดใจพิศวงอยากรู้อยากเห็นชนิดที่แมมสาวต้องขนลุกไปทั้งตัวแม้จะปรับจิตใจไว้เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะกระชากเสื้อล่าสัตว์ของหลอนขาดวิ่นไปหรือไม่หากว่าความสงสัยของมันทวีถึงขีดสุดโชคดีอย่างยิ่งที่ไอ้ลิงเวนนั้นยังไม่มีความคิดพิเรนถึงเพียงนั้น มันลูบๆคลาๆตามตัวของหล่อนอยู่อีกครู่ก็ส่งเสียงโวกเวกเหมือนจะชอบอกชอบใจกระโดดตีลังกาหลังอยู่กับที่สามสี่ตลบมาเรจับมือของมันไว้มีน้ำซ้ำอย่งอางธรรมการเหมือนจะจูซึ่งมันก็เดินตามหล่อนโดยดีไม่ว่าหล่อนจะทดลองจูงมันไปทางด้านไหนท่ามกลางการจ้องตะลึงของพรรคพวกทุกคนเออเอาก็แม่สิแม่ปราบมันอยู่จริงๆด้วยเออ จุงเดินตามต่อยต่อยทีเดียวบุญคำครางออกมาขยี้ตาแรงแรงแล้วเบิกจ้องเหมือนไม่แน่ใจเชษฐายิ้มออกมาได้เต็มไปด้วยความหวังเพิ่มขึ้นจะเข้าข้าวและศิลปินมีสามารถจะปูกมิดกับมันได้จริงๆรู้สึกว่าจะเข้ากับมันได้ดีซะด้วยสิแานใหญ่ไม่กล่าวคำใดทั้งสิ่งแต่จ้องขมิงเชษฐากาชับให้ทุกคนอยู่ในอาการสงบ ตามเดมาเรียเริ่มมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นหล่อนพยายามพูดและเล่นกับมันอยู่อีกพักใหญ่แล้วค่อยๆเรียบเคียงทำอาการชักชวนให้มันเดินเข้าไปที่ปืนกระบอกซึ่งตกทิ้งอยู่ได้ผลอย่างยิ่งมันเดินตามหล่อนไปอย่างกระชั้นชิดทําให้ไอ้ลิงบริวารที่แสดงท่าดุร้ายแยกเขี่ยวยิงฟันอยู่เหล่านั้นเปิดเป็นช่องไม่มีตัวใดบังอาจเข้ามาขวางหน้าได้แต่กระจายออกล้อมุงเป็นพรวนส่งเสียงอยู่คร้อคราก ลั่นป่าระงมไปหมดในที่สุดแม่สาวก็มาหยุดยืนอยู่ที่ลูกซองบราวนิ่งกระบอกนั้นโดยมีไอ้ทมลจา่าฝู่นเข้ามายืนหยุดตรงหน้าด้วยหล่อนหัวเราะเบาๆมองมันด้วยสายตาที่พยายามจะถ่ายทอดความเข้าใจไปยังมันและทำาการบ่ายชีย้ลงไปที่ปืนกระบอกนั้นบอกให้ทราบโดยอาการว่าหล่อนต้องการให้มันหยิบส่งให้หล่อนไอ้ดำเลิกคิว้วมองดูอาการที่หล่อนทำมืออยู่อึดใจใหญ่ ก็กลมลงหยิบลูกซองกึ่งอัตโนมัตกระบอกนั่นขึ้นมาส่งให้โดยดีมาเรียยิ้มพายรับปืนมาอย่างสงบแล้วบอกว่าขอบใจมากนะพวกเราเป็นมิตรกับเจ้าไม่ได้เป็นศัตรูหรอก